สิ่งที่จะช่วยให้คุณได้ทาบุญทุกวันไม่ใช่เงินแต่เป็นใจความเข้าใจเกี่ยวกับการทาบุญใหญ่ด้วยเงินน้อยนับว่าสำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความติดใจในการทำทานด้วยใจอันเป็นทิพย์อย่างต่อเนื่องการทำทานแบบที่ชุ่มชื่นนั้นให้ถามตัวเองง่ายๆว่าเงินมาก่อนหรือใจมาก่อน ถ้าใจมาก่อนไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ได้บุญได้ความชุ่มชื่นแล้วเพียงมีใจก็อาจให้ทางบนถนนอดทนเมื่อถูกปาดอาจให้อภัยไม่ถือสากับการกระทบกระทั่งบนรถเม์ออกจากบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนออกไปฝึกใจขับไล่ความมืดด้วยแสงสว่างจากบทฝึกนานับปการระหว่างวันเพื่อกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนได้ไปทาบุญใหญ่ โดยไม่ต้องรอวันพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานกรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อมีใจคิดให้อย่างไรก็ทำบุญได้ตลอดและเมื่อทำบุญอยู่ตลอดวันตีตัวย้ายบ้านจึงสบายใจรู้สึกตัวว่ามีเหลือเฟือพอจ่ายค่าบ้านใหม่อยู่สบายโล่งโถงหลอดโปร่งได้เท่าใจตนเอง เมื่อใจอันเป็นทิพย์ได้ทำทานเพื่อทำลายความตรณีทีเหนียวไปเรื่อยๆย่อมเกิดแรงขับดันให้คิดอยากทำมหาทานเพื่อการถือศีลตลอดชีวิตเพื่อเป็นการให้ความปลอดภัยแต่เพื่อนร่วมโลกไม่เลือกหน้าเมื่อทำทานอย่างต่อเนื่องย่อมเกิดความเบิกบานในการสละออกเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลแห่งทานแบบพุทธที่แท้นั่นคือ การทำลายกำแพงที่ขวางทางไปนิพพานด่านแรกอันได้แก่ความตรนีทีเหนียวมีทุนในการสละออกซึ่งความเห็นผิดคิดว่าจะยึดกายใจนี้ไว้เป็นของเราได้ทั้งที่ไม่มีของของเราในกายใจนี้มาแต่แรก